ทัศนะสู่ธรรมเรื่องฐานแห่งการรู้แจ้งตั้งอยู่บนปรมาถสภาวธรรมโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดรู้สึกมีคนที่มาใหม่หลายคนเหมือนกันครับแล้วมีคนพิเศษคนหนึ่ง ึ่งผมอดที่จะระบุชื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบไม่ได้คือท่านอาจารย์สวัยแก้วสงครับขอแสดงตัวนะครับท่านผู้นี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้จุดประกายของความใส่ใจในพุทธศานา ให้ผมเองได้เียว่าได้ได้ฉุกคิดเพราะาภูมิบัญญาศาสานานั้นหลบซ่อนอยู่ภายใต้ภูมิบัญญาของโลกทุกยุคทุกสมัยแล้ะครับเพราะว่าปัญญาในทางโลกนั้นมันเอาไปสแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุดได้เห็นได้ง่ายเป็นความเฉลียวฉลาด ปัญญาที่โลกรู้จักแท้ที่จริงก็คือความรู้เชิงเทคนิคเท่านั้นครับเช่นเราพบนักกฎหมายที่ฉลาดที่ยวฉานเสมนในการตรีความตัวบทกฎหมายหรือวินิจฉั ย, ยอัดคดีเราก็จะรู้สึกเลื่อมใสมันแท้ที่จริงไม่มีอะไรพิสดารพันลึกเลยคือเรียนมากจำได้มากก็วินิจฉัยได้มากเท่า น, นั้นเอง แต่ปัญญาลึกลึกนานั้นนอกเหนื้อจากเริ่มต้นด้วยสามัญสํานึกแล้วมิติที่ลึกของมันนกว้างเหมือนมหาสมุทรไปสู่จากกระบวนการเหตุผลไปสู่สภาวะเหนือเหตุผลเหตนี้นศาสนธรรมนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับแต่แม้จะเป็นเรื่องใหญ่เพียงใดก็ตามมนุษย์โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าเป็นฝรั่งเทืไทยจีน ตัวแล้วตกภายใต้ความมืดฉลัวแห่งแดนสุนทยาดังนั้นแม้จะหิงห้อยตัวเดียวหรือประกายไฟสักนิดเดียวนี้ช่วยได้ครับผมต้องขอแสดงความขอบคุณต่ออาจารย์สวายเจ้าสมเป็นอย่างมากเพราะผมเองคงเหมือนกับคนหนุ่มสาวเมื่อสามสิปีที่แล้วก็เหมือนคนหนุ่มสาวทั่วไปคือกินเที่ยวเล่นสนุกสนานเฮฮาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่คิดอะไรมากเรียนหนังสือเพื่อให้ได้ปัญญา ได้แล้วก็ไปกอบโกยเงินเข้ากระเป๋าตัวเองโดยแยแสน้อยนิดต่อความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์แยแสน้อยมากต่อปัญญาที่เข้าสู่ความจริงของชีวิตคือไม่อยากรู้ความจริงอยากรู้อะไรก็ได้ที่มันได้ประโยชน์อร่อยสะใจตัวนั่นเองเนื่องจากถานที่ผมศึกษานั้นอยู่ติดรั้วกำแพงต่อกับวัดมหาธาตุ ผมได้เห็นสิ่งที่ปัจจุบันนี้รู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าไม่มีแล้วครั้งอดีเรามีตลาดนัดสนามหลวงเหอนน้ย้ายเจ้าติจับแต่ตลาดนัดทางภูมิปัญญาไม่มีครับครั้งหนึ่งวัดมหาธาตุจะเป็นเป็นเสมือนที่ที่เรียกว่าทิสาปามโมกบกันผมมีงจำภาพเหล่า น, นั้นได้ใครก็ได้ที่ ต้องการแสดงภูมิปัญญาทางศาสนาไปที่นั่นแล้วก็ใตล้ลมมาโจากนั้นจะมีเป็นกลุ่มวางกลุ่มเน้นเฉพาะพระอภิธรรมก็งัดตำลามาเถียงกันผมจำภาพเหล่านั้นได้แม่นยำอาจารย์วางองค์เถียงกับเพื่อนจนน้ำลายขึ้นเป็นฟองที่ปากเลยครับแต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเมื่อเราใช้ะะภษาฝั่งบ้างนะครับเมื่อเราดวลกันทางปัญญานั้นนะครับ เมื่อรูปแบบการต่อสู้เป็นการต่อสู้ทางภูมปัญญามันลดความรุนแรงในการต่อสู้ถึงเลือดถึงเนื้อได้แต่ก็ไม่แน่สมมยไปนะฮะเถียงไม่รู้เรื่อ ง, งอาจจะชกกันก็ได้ครับแต่ยังไงก็ตามวิธีทางปัญญานั้นต้องถูกรฟื้นขึ้นมาวันนี้ผมเกือบจะไม่ได้มาครับเพราะว่าบังเอิญเป็นช่วงตรงกับท่านเจ้าคุณพระตำริดศตัวแทนภูมิปัญญาของพุท ที่น่ารรเสรยิญญ่งได้แสดงธรรมผมเกือบจะไม่มาเพราะยิงติดรสชาตของภูมิปัญญาฟังแล้วเพลินเพราะท่านแสดงธรรมด้วยปัญญาแล้วแสดงเรื่องภูมิปัญญาในการนพัฒนาภูมิปัญญาของชนชาติและของโลกผมคิดว่าท่านเป็นเพชรรัตที่ที่น่าขนุนถนอมที่น่าเชื่อชูเป็นอย่างยิ่งพวกเราควร ี่อความเห็นส่วนตัวนะฮะควรจะรู้สึกยินดีที่ได้เกิดทันทันร่วมยุคร่วมสมัยกับบุรุษแห่งปัญญานะโดยท่วไปนะครับถ้าเราไม่ชื่นชอบปัญญาเราก็จะเบื่อที่จะฟังเรื่องปัญญาแต่ถ้าเ ร, ารู้สึกเพลิดเพลินต่อปัญญาแล้วก็ผมเชื่อว่าเราจ ะ, จะเจริญถ่ายเดียวเราจะไม่เมือนเสื่อมนะฮะนึกถึงคำหนึ่งคือวิปัสสนาสุข แต่ว่าโดยสามัญสมนึกของเราวิปัสนานี่ไม่น่าจะสุขมันต้องทนทุกข์ต้องนั่งหลังกดหลังแข็งแต่แล้วท่านก็บัญญัติสุกไว้ว่าเป็นวิปัสนาสุขนม่มีแล้ววิปัสนาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการสวยกรรมรมหรืออะไรนะภาวะของชีวิตอาจจะอยู่ในห้วงความทุกข์ก็ได้แต่ปัญญาสามารถพัฒนาได้ดงั้นอิอทธิฤิตปาฏิหารของปัญญานี่สําคัญหนัก ในปการนามหรือมหากาบโบราณนั้นก่อนหน้าที่กระบวนการเหตุผลจะถูกพัฒนาขึ้นนะครับก่อนหน้าที่กระบวนการเหตุผลจะครอบครองบรรยากาศของนักคิดหรือผู้นําทางปัญญามีปการน้ำซึ่งเป็นแหล่งเป็นหาสมุทรของภูมิปัญญาทางศาสนาอภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในมหากาบกิกาเมศ นับว่าวิเศษมากจริงอยู่นะครับแม้ว่าเราเป็นชาวพุทธเราสแสวงหาปัญญาภายใต้ใการชี้นำของพระพุทธเจ้าซึ่งเราถือว่าประเสริฐเลิศแต่เราต้องไม่ลืมว่าพระพุทธองค์เองนะครับก็อ้างถึงบุรุษแห่งปัญญาด้วยบางทีท่านเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนและแถมว่าจะมี พ, ะพุทธเจ้าที่จะมาตรัสในอนาคต ในนั้นเองนะครับเมื่อเราเลื่อมสายพระพุทธเจ้าเราวควจะมองเข้าสู่แหล่งภูมิปัญญาทั้งอดีตและอนาคตด้วยชาวพุทธโดยทั่วไปเชื่อกันว่าในอนาคตจะมีพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระศรีอาริยเมตไตรผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องของศิลปะประติมากรรมพุทธนะครับอาจสังเกตออกถ้ามีรูปพระโพธิสัตว์ที่หน้าผากเป็นรูปพระพุทธเจ้านั่งอยู่ เราก็หมายรู้ได้ว่านั่นเป็นอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ซึ่งเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของปัญญาและกรุณามหาปัญญาและมหากรุณานี่เป็นวิวัฒนาการที่สร้างสั ญ, ญลักษณ์เอาหลักธรรมบริสุทธิ์เหล่านั้นมาเป็นตัวคนเป็นเทพหรือเป็นเรียกว่าปุคลาทิสฐานภาษฝรั่งเขาเรียกว่า personal v i g a t i o n ครับคือทาเรื่องที่เป็นนามธรรมหรือเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก ให้เป็นรูปธรรมงั้นปฏิมากรสามารถสร้างสัญลักษณ์แทนปัญญาขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเห็นพระโพสต์ที่หน้าผากมีสถูปเราต้องหมายรู้ว่านี่คือพระศรีอารยมเมตไตรผู้ที่จะมาตรัสในอนาคตสัญลักษณ์อันนี้ถูกสร้างในหลายวรรณกรรมมากครับเป็นจนกระทั่งกลายเป็นประัมปราคติในหมูชาวพุทธเช่นมีการ บางทีเขาเียนเนเพียนแตรกกันมาด้วยนะมีการทัวนรกทัวสวรรค์แล้วก็ไปเฝ้าพระจุรามีพระจุรามีคือสถูปสัญลักษณ์ของโพธิสมภารในอนาคตคือพระสีอารยาเมตรไตรผมแผ่ขยายความรู้สึกเลื่อมใสและรักใคร่ต่อพระพุทธเจ้าของเราไปสู่พระพุทธเจ้าครั้งอดีตและอนาคตด้วย เพื่อจะเห็นมิติอันกว้างครับผมคิดว่าไม่ใช่ข้อสรุปที่ดีที่จะสรุปว่ามีพระเจ้าที่ชื่อโคตมะเท่านั้นฉลาดที่สุดครั้งอดีตเมื่อผมเป็นนักฟตนักบวชอยู่ผมจําได้เองโกรธคนหนึนนน่งมากเมื่อเขาช่วงเจ้าพระเจ้าเขาจริงๆเขาเพียงเสนอความคิดบริสุทธิ์แต่ผมกำลังยึดติวดว่าพระเจ้าต้องดีที่สุดเขาบอกพระเจ้าไม่จะเป็นต้องฉลาดที่สุดผมโกรธ โกรธในเครื่องแบบผ้าเหลืองด้วยแต่ในนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าคําพูดนั้นเป็นคําพูดของปัญญาไม่มีเจตนาที่จะชุง่งฉาบแต่เป็นการขยายมิติเราไม่จำเป็นต้องสรุปว่าพระเจ้าพระองค์นี้ฉลาดที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่ได้สรุปอย่างนั้นด้วยนะครับแต่ท่านกล่าวสนันเสริญพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และเวลาท่านแสดงหลักพื้นฐานของ พุทธศาสนาที่เรารู้จักว่าเป็นโอวาทปาติโมงนั้นถ้าจะอ้างถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายพูดอย่างนี้รวมทั้งท่านด้วยพระองค์หนึ่งใช่ไหมฮะจะแสดงหลักว่าพระเจ้าทุกพระองค์กล่าวว่าพระนิพานเป็นที่สุดเป็นธรรมอันเลิศนี่คือเรียกอุดมการก็ได้นะฮะต่อมาพระเจ้าทุกพระองค์กล่าวขันติ ว่าเป็นตัวแปรในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดอะไรเหล่านี้นะครับเป็นตัวอย่างใ น, นวันนี้ผมคิดว่าเราควรในขยายขอบเขตการศึกษาขยายแหล่งศึกษาภูมิปัญญาจากแหล่งอื่นบ้างก็ได้ครับโดยที่เราไม่ยอมสูญเสียหลักของความมันชาวพุทธ ตนนี้ไม่ได้หมายว่าถ้าเราเป็นพุทธเราจะหลับหูหลับตาเราจะไม่อ่านไบเบลิลเราจะไม่อ่านไอิกราอานเราจะไม่อ่านอะไรทั้งสิ้นซึ่งอันนี้ผมพูดแล้วก็รู้สึกอนาถตัวเองครั้งอดีตผมเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแม้จะจับคัมภีร์ไบเบลิลก็รู้สึกลำบากใจเหมือนผมเคยเล่าในที่ประชุมนี้เมื่อหลายเดือนก่อนว่าได้อาศัยพระเดชพระคุณท่านเจ้าสุนโมแก้นิสัยครับแค่วันนี้ให้ผมโดยออกอุบายว่า สมเด็จพระสันธะปาปาจอนตอนที่สองอท่านจะส่งภาพเป็นของขวัญให้โป๊ปองค์นั้นที่วาติกันขอผมช่วยวาดรูปจากคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเท่ากับบีไว้ผมต้องอ่านนลยนี่แต่ในสุดผมได้เรียนรู้ว่าไม่ฉลาดเลยที่จะปิดกั้นตัวเองภูมิปญานั้นเราจะเรียวกว่าเป็นภูมิปญาบริสุ์ก็ถูกครับ แต่มันจะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและส่องแสงก่อเมื่อมันถูกบูรณาการจากปัญญาอื่นผู้ที่คือความโง่ช่วยปัญญาเรืองรองขึ้นเหมือนความมืดช่วยแสงสว่างล้ำค่าขึ้นถ้าไม่มีความมืดแสงสว่างนี้จะหมดค่าไปด้วยครับเหมือ่อจุดตะเกียงขึ้นในเวลากลางวันไม่มีความหมายอะไรแต่พอตกดึกเมื่อค่ําเมื่อความมืดแผ่คลุมแสงสว่างแม้น้อยนิดก็เรืองรองขึ้นสันใดนะครับ นั้นแหล่งบัญญาอื่นแม้จะไม่ใช่แหล่งบัญญาของพุทธเราควรใส่ใจและศึกษามหากราบกินกาเม้นได้ดเนินเรื่องคล้ายๆโครงสร้างของมหากราบอื่นรวมมาถึงผมเรียกมหากราบแต่ไม่มีใครขาดรับเลยยี่สิบปีแล้วผมเรียกมหากราบใส่อิวนอกจากคนจีนที่รู้ภาษารู้ ก, กวีจีนแล้วซึ่งจะยอมรับนะค พระกาบรามาณก็ดีมหาภาตยุทธก็ดีอีเลียดก็ดีโฮเมอร์ก็ดีนีโครงสร้างที่สําคัญมากและเป็นรหัสไม่ใช่นิทานเล่าเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานจริงๆพระกาบที่เรียกว่าโอดิซิอุสนะฮะโอดซิซีหรือที่เรารู้จักว่ายูลิซิสประจนไผ่เป็งนักสร้างภาพยนตร์ทําให้ดูสนุกสนานที่จริงโครงสร้างคือการเดินทางของชีวิตโอดิซีเด็จสึด ที่กรุมทรอยแล้วนะครับก็เดินทางกลับเมืองแม่ตองะจญอุปสรรคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพิเลสตัญหาต่างๆนานาโดยโครงสร้างภายนอกทางกายภาพดูสนุกสนานแต่ถ้าอ่านอีกวิธีหนึ่งก็ว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่เรื่อ ง, น, งนอกนี่มันเป็นเรื่องเผชิญอะไรบางสิ่งภายในเช่นตาซูนตาเดียวศูนย์เอกเนสคล้ายๆจะเป็นอวิชชาครับยักษ์ตัวนี้มันหลับทั้งวันมันมีตาเดียวตึงมาก็บริโภค ดูไปแล้วสอดคล้องสังคมบริโภคมากๆครับคือมีตาข้างเดียวและชอบกินกินเล่างุนซึ่งจับตัวคณะของโอดีซีเข้าไปขังจนวีรชนคนนั้นต้องต่อสู้เพื่อให้พ้นอิทธิพลของยักษ์ตาเดียวแล้วก็ไปเจอวังวนของน้ำวนชาลิดิสหลุมมลุตยูไซเรนซึ่งต่อมาเราเรียกสยเสียงไซเรนนะครับซึ่งเป็นปีศาจซึ่งใครได้ยินแล้วเนี่ยต้อง ต้องกบก้าได้ที่ฝนนึงสิ้นจนโอดิซีต้องเอาสำรีอุดหูเพื่อไม่ให้ได้ยินและให้พวกพวกล่ามตัวเองติดเพื่อไม่ให้ดิ้นรนไปตามอำนาจของนางปีศาจฟังดูน่ากลัวน่าสนุกด้วยแต่ถ้าเราดูเข้าไปในใจอาจจะสนุกกว่าอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับกินกาเมสนั้นมีตัวละครอยู่มากเหมือนกันครับเป็นมหากราบของชาวซูเมเรียน ประมาณสี่พันกว่าปีมาแล้วนานมากครับถือว่าชาวซูเมเรียนเป็นชนชาติที่มีภูมิปัญญาชนิดนี้นะครับแล้วได้ ส, สร้างภูมิปัญญาเหล่านั้นออกไปรูปของมหากราบชื่อกิมกาเมสกิมกาเมสเป็นชื่อของวีรชนในเรื่องพูดเป็นภาษาชาวบ้านแบบพระเอกซึ่งหมายถึงอะไรนี้ก็ต้องต้องตีความกันการตีความพุทธศาสนานี่สำคัญมากนะฮะแต่ว่าต้องตีบนหลากฐานความจริง ไม่ใช่ตีได้ที่เอาถ้าตีได้ที่เอาเละเลยครับเหมือนใครคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเขาตีได้ที่เอาเช่นพอศึกษาพุทธวัตรถ้าพุทธมันดาที่มายาเขาก็ตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมายาอาสิเนเละแล้วไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีโครงสร้างไม่อาจนาเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ซ่อนแฝงอยู่ผมจะเล่าเหตุการณ์บางเห ก, การของกินกาเมเทพนะครเพียงเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่า ภูมิปัญญาตะแลงอื่นนั้นไม่ได้ด้อยแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับภูมิปัญญาในพุทธศาสนาเลยแม้พุทธศาสนาจะมีวิธีอธิบายโลกจักรวาลชีวิตสังคมอะไรของชาวพุทธนะฮะแต่โดยดย่นย่อแล้วผมเชื่อพระเจ้าต้องการให้เราเพียงรู้จักตัวเองให้ถึงแก่และว่าตัวเองนั้นมันมีขนาดสเกล แผ่ขยายถึงไหนจุดจบของตัวความรู้แจ้งในตัวเองนี้อยู่ที่ไหนนั้นนั้นเป็นประสบการณ์ของการภาวนาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับวิชาที่ถือเป็นยอดสุดของวิชาการนั้นมีอยู่เรียกวิทยาอันหนึ่งเรียกาอาัตมวิทยาวิชาว่าด้วยตนนี้เป็นข้อคิดจากฝ่ายอินเดียนะฮะอีกอันหนึ่งคือพรหมวิทยาวิชารว่าด้วยพระผู้สร้าง แล้วอัตามาวิทยาธรรมวิทยาถือเป็นหลักที่สำคัญมากพระุทธศาสนาถือกำเนิดภายใต้การค้นคิดบนหลักอันนี้ครับแม้ว่าท้ายที่สุดพระเจ้าจะออกมาปฏิเสธทั้งโครงสร้างชุมชนที่เป็นระบบวันนะกดขี่กันอยู่โดยพวกคลามเป็นหัวเรือและปฏิเสธเรื่องว่าตัวตนนั้นที่จริงเป็นสภาพเป็นอนัตตาดังนั้นเป็นการรับเชิญปฏิเสธไม่ใช่โค่นล้มทั้งหมดถือว่า ความรู้จักตัวเองจริงๆคือรู้จักของตัวเองสัมพันธ์อยู่กับสรรพสิ่งอิงกันกําเนิดอยู่อย่างไรที่เรียกอิทัิปัจจยต า, านั่นเองครับเราือนนั้นพุทธศาสนากับศ ส, สนพราหมณ์นั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นปรปับปากันเนะี่ยมีคนเข้าใจผิดเป็นจานวนมากทีเดียวที่จริงเป็นปฏิสัมพันธ์กันอยู่บางส่วนท่านรับบางส่วนท่านไมเศษส่วนที่ไม่จริงนั่นวมเศษสิ่งไหนที่ก็พูดไว้ดีแล้วท่านรับนะเช่นอหิงสาประโมธรมโมเอต้า ผมจําบาลีไม่ได้นะอหิงสาประโมธโมก็อหิงสาเป็นบรมธรรมเอสสะธโมสนันตโนครับนี้เป็นคําเก่าเป็นธคำเก่านะวัยเขาพูดกันไว้แล้วบางทีเรียกวุราณธรรมท่านยอมรับ น, นีเออผมจะลองเล่าดูนะครับผมไม่ใช่นักเล่านิทานที่ดีนะแต่ว่าต้องการจะเล่าเาะแก่นซึ่ ง, ซ, งซึ่งเป็นเหมือนรหัส ราษฎรยะที่สัมพันธ์กับกูมัญญาทัานสูงที่สะท้อนออกถึงเส้นทางของชีวิตผมใช้คำนี้นะฮะมันไม่ใช่เส้นทางเรือทางน้ําทางบกทางอากาศเส้นทางที่ชีวิตเดินทางในภายในจนบรรลุเป้าหมายในตัวมันเองมีสานวนวารสารไทยหนึ่งเรียกว่าบุรุษหรือนายกอถึงซึ่งชีวิตท่านผู้ฟังรู้สึกว่าความหมายนี้หมายถึงอะไรครับถึงซึ่งชีวิตแปลว่าตายครับ มันแปลกมากเป็นโมหานทผกผันซ่อนภูมิมัญญาหมายความว่าเข้าถึงตัวชีวิตจิตใจแล้วสิ่งหนึ่งต้องตายลงคือมายาภาพคดีความหลอกลวงกด็ดีความเพอ้อพกคดีแฟนตาซีต่างต่างคดีเนี่ยเรียกว่าถึงซึ่งชีวิตนั้นแสดงเราเร า, เร า, เราท่านๆยังไม่เข้าถึงชีวิตครับเรายังอยู่ห่างจากความหมายชีวิต ทนี้นังนนั้นเองนะครับเส้นทางของการภาวนาไม่ว่าในพุทธศาสนาของนิการมหายาณหรือยินญาณที่บ้านเรานี้นะครว่าไปแล้วก็คือการเข้าให้ถึงชีวิตนะครับค้นให้พบตัวเองสัมผัสให้ถึงทุกอนูของชีวิตครอบครองพื้นที่ชีวิตทุกๆตารางนิ้ว ไ, ได้ดูจะเป็นคาพูดซึ่งคุกคามหรือเปล่าครับ แต่ลองฟังจากข่าวสื่อว่าวันหนึ่งเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งพาผู้หญิงที่เขารักใคร่ชอบพอไปเที่วเล่นในปาร์คแล้วสตรีนางหนึ่งขโมยเครื่องประดับและเสื้อผ้าที่มีค่าหนีไปหัวหน้าเด็กหนุ่มคนนั้นก็ตามหาเจอผู้เจ้านั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ก็เข้าไปถามว่าท่านเห็นสตรีฝ่านทางนี้หรือเปล่าผู้เจ้าสงสัดเพื่อให้เป็นประโยชน์ครับ เด็กหนุ่มคนนั้นว่าเธอจะหาหญิงหรือหาตัวเองดีแต่ใครตัวเองหาย้ปยังไม่รู้เท่าหาผู้หญิงอยู่ได้คำพูดนี้มีผลมากในจังหวะที่เหมาะสมครับเด็กหนุ่มคนนั้นชาวัยมีอยู่เอะใจเอ๊ะตัวเองหายไปเมื่อไหร่ก็ต่อรองเท้าเข้าไปไต่ถามว่าคําถามคําตอบนี้มีความหมายลุ่มลึกอย่างไรในสุดกิจการคนโชคดี เพราะว่าแทนที่จะได้ผู้หญิงขึ้นมากลับได้ตัวเองขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านั้นหายไปโครงสร้างหลักเหล่านี้ครับสําคัญในการที่เราจะเห็นค่าของมหากราบของหลายๆชนชาติครั้งอดีตเราต้องจับโครงสร้างอันนี้ก่อนว่ามันคือเรื่องชีวิตและการเดินทางในตัวชีวิตเดินห่างไปในช่วงต้นแล้วรู้สึกตัวหันหลังกลับเดินกลับเมืองแม่โครงสร้างอันนี้ในมหากราบก็ดีหรือในวรรณกรรมพุทธก็ดีไนงะ ซ้ําๆำซกซากดังนั้นเป็นเอกนักวิเคราะห์ทางวรรณคดีหาวรรณกรรมไทยไม่มีอะไรซ้ําๆออกกลางเมืองไปศึกษาปรือศรีเรียนรู้มนกลับมาฆ่ายักษ์แล้วครองเมืองแต่จริงๆก็มีเท่านั้นจริงๆครับเราไม่มีอะไรเลยนอกจากเมื่อฆ่ากิเลสปัญหาตายแล้วเราก็ครองบ้านเมืองคือชีวิตแล้วก็เกิดสันทิสุขชาญยกทุกเรื่องต้องเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันทีเดียวสิดย่อยมีแตกต่างบ้าง ในกินกาเมสนั้นจะมีตัวละครอยู่สองตัวครับที่ผมจําได้นะที่จริงเรื่องมันกว้างใหญ่ไพศาลนะไม่ได้อ่านต้นฉบับเขาหายากเต็มทีอ่านแต่ข้อวิจารณ์ปะปลายหลายที่นะครับเอ mm ็นกิดูนั้นเป็นตัวหนึ่งซึ่งหัวเป็นวัวซึ่งผมเชื่อนี่เองเปรากฐานของเทพชั่วร้ายของของอียิปที่เรียกมีนาทัว mm hmm. ทเทพเจ้าหัวงูนะครับซึ่งต่อมาปิการโซศิลปินที่ลื่นลั่นมาก ชอบแทนตัวเองเป็นมีนาทัวร์เขาบอกว่าเขาเป็นเทพผู้ชั่วร้ายเพื่อแดกดันพระชดดันพวกทีก่ให้ตัวเองเป็นสาวกพระเจ้าเขากระทบหนึ่งนะครับเอ็นกิรูนี่เป็นเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสัตว์ป่าในตัวเราความมีอินสติง้งขอโทษนะความมีสัญชาตญาณยิ่งสัตว์มนุษย์เราตาดำดำเนี่ยนะฮะหน้าซื่อผูกในไทยเนี่ยพร้อมทีนะ่เป็นสัตว์ได้ทุกเมื่อนะครับ เพราถ้าเขาถูกควบคุมโดยสัญชาตญาณแต่ว่าโดยข้อที่จริงมนุษย์ยิงสัญชาตญาณ น, น้อยลงอิงปัญญาสูงขึ้นนะฮะแต่ใช่ว่าสัญชาตญาณจะหายไปในพุทธศาสนาถือว่าความเป็นไปได้ที่เรียกว่าฐานะอันหนึ่งนะฮเช่นต่ากับพระโสดาบันนีอาจจะปลงชีวิตมารดาเมื่อไหร่ก็ได้ข้าวพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเป็นโสดา ข, ขึ้นขึ้นบนแล้วนะี่นะอยู่ในฐานะที่เรียกอฐานะคือเป็นไปไม่ได้ เพเด็กก้าวข้ามสัญชาตญาณที่เรียกโคตรภูข้ามโคตรของความเป็นมนุษย์อย่างไรไปสู่อริยโคตรคือเปลี่ยนโคตรไปเลยครับผู้เจ้าท่านอธิบายตัวท่านว่าท่านไม่ใช่ไม่ใช่โคตรของเมืองกบลิลพั์อีกท่านเป็นอริยวงศ์คือวงของพระบุคคลเมื่อพ่อไปห้ามปรามท์เมื่อสมัยกลับไปเยือนกบลิลพั์และสนองบิณบาตซึ่งวัฒธรรมเ่องนั้นอาจจะ พระเจ้าสุดโทนนะรู้สึกขายที่หน้ามากพราตัวเองเป็นราชาของแฟนนั้นแล้วก็ลูกตัวเองแท้ๆซึ่งจะสืบทอดอำนาจรัดดันไปขอทานเขาทนไม่ไหวไปตะเตือนห้ามปราม บ, บอกให้ไปกินที่วังที่เจ้าบอกท่านไม่ใช่โคดนี้ท่านเป็นอริยโคดอริยวง์นนั่นคือเอ็นกิดูครับสัญชาตยาณยิ่งสัตว์ที่แฝงเร้นอยู่เขาทําเป็นตัวละครออกมาแต่จริงๆมันทําไม่ได้มันซ่อนตัวอยู่ อีกตัวหนึ่งคืออตานาะตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายบวกคือความเป็นความเพียทยานในทางสูงความฝ่ายรู้ในทางสูงนะฮะแล้วดุเหมือนทั้งคู่เนี้ยถูกพยาดยิวและพยาดิวตัวนี้นะครับที่จริงเป็นปฐมฐานของการสร้างสัญลักษณ์ในทางศาสน ธ, ธรรมเป็นพยาครุษครับซึ่งเดียวนี้เราการตรางราชสมรภ์ราชบัลลังก์ครุษพร ะ, ะของนาลอยนะครับของพระเจ้า อ่ผู้ที่เหินไปในท้องฟ้าไม่มีตัวตนไต่เหินไปได้นะฮะความด้วยระวังให้ดีเดี๋ยวสับสนกัมานะครับเล่าไปเล่ามาแล้วเมื่อพระยาเยียวได้พาอิตาแนานะครับขึ้นไปสู่ท้องฟ้าพระยาเยียวก็ถามว่าขณะนี้เจ้าเห็นโลกเป็นอย่างไรบ้างอิตาแนบอกว่ า, วาเห็นโลกเดี๋ยวนี้คนก็ไม่มีเมืองก็มองไม่เห็นเห็นแต่ ใกล้เขียวๆอยู่กลางน้ำพอทีแรกอิต า, นาหน้าขอร้องให้พยาเหี่ยวนี้พาเขาไปสู่สวงสวรรค์แต่พยาเหี่ยวซึ่งเป็นไส้รักษ์ของยานยานพิเศษก็ถามว่าเดี๋ยวนี้เจ้าเห็นอย่นั้นโลกเป็นย่างไรเมื่ออิตาน้ารายงานที่นั้นเหี่ยวก็บินสูงขึ้นอีกครับไกลจากโลกขึ้นอีกใกล้สวรรค์ขึ้นอีก ไปถึงจุดนึก็ถามอีกว่าขณะนี้เจ้าเห็นอยู่เ อ, อเจ้าเห็นโลกเป็นอย่างไรบอกตอนนี้ผมเห็นเป็นจุดพญาเยอะบินสูงขึ้นอีกครับพ อ, อถึงจุดหนึ่งก็ถามอีกทีนี้อิตนามกลัวเพราะไม่เห็นอะไรเลยยิ่งใกล้สวรรค์ยิ่งไม่มีอะไรเลยครับกลัวบอกเอ๊ะผมเริ่มเห็นรั้วบ้านแล้วก็เห็นขนมปังบนโต๊ะอาหารคือเริ่มคิดถึงบ้านนั่นเองครับในสุด อิทานาวขอร้ อ, องพยาเ ย, ยว่ากลับบ้านดีกว่าผมไม่อยากไปแลยสวรรค์ไม่เห็นมีอะไรเลยกลับเป็นคนธรรมดาดีกว่าผมอ่ล้วผมชอบมากครับความพยายามของมนุษย์เรานะครับที่จะหนีสัญชาตญาณนนึ่งสัต์เพื่อเป็นเทพ ย, ายดาเพื่อเข้าสู่ดินบรมสุขนั้นเป็นปฏิกิาในตัวเองแต่ในที่สุดประสบการณ์ในชุวจะสอนว่าชีวิตย่งคนธรรมดาสามัญนั้นดีที่สุด ที่ต่อมาเรื่องนี้อันนี้ผมไม่ได้มีหลักฐานพิสูจน์แต่ผมเชื่อว่าให้อิทธิพลต่อประการนำของกรีกที่เรื่องที่เรารู้จักว่าอีคารุสที่มีพ่อกับลูกเอาคิดขี้พึ่งติดปีกที่จะบินไปหาดวงอาทิตย์แห่งความจริงนะครับที่ว่าใกล้ดวงอาทิตย์เท่าไรแสงแดดร้อนก็เผาจนที่พึ่งละลายปีกก็หลุดตกลงมาในทะเลซึ่งแท้ที่จริงเป็นใบหน้าของเขาเอง ถ้าอ่านและสังเกตให้ดีจะรู้สึกพึงใจนะครับพึงใจตรงสัญลักษณ์เหล่านี้มันแปลกตรงทีว่ว่าผู้รถจนาผู้สร้างสิ่งเหล่านี้นั้นต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับเราว่าคุณจะหนีตัวตนเองไม่ได้ความทะเยอทยานฝ่ายฝันที่จะบรรลุทำอาจจะเป็นถูกสิ่งหลอกลวงก็ได้ศาสตราจาร์ร่งหนึ่งชื่อโซโรแอสเตอร์ของเผ่าปาซีือเปอร์เชนครับ มอสมัยที่ออกแสวงบุญใหม่ๆก็เบื่อโลกเบื่อสังคมมนุษย์เกลียดมนุษย์มากก็เดินทางเข้าไปในป่าภูเขาซึ่งไม่มีมนุษย์เลยในตรงกลางทางก็เจอกับเทวดานะครับตนหนึ่งเทพวดีเทวดาตนนั้นถามว่าท่านกำลังจะไปไหนซโลแอสเตอร์หรือชื่อหนึ่งชื่อสลาทุสตราครับบอกว่า พระเจ้าเบื่อมนุษย์เบื่อสังคมเบื่อลูกเบื่อมันเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะปฏิบัติตนให้พ้นจากโลกสิ้าปีหลังจากเกย็นโทนาอยู่ก็เดินทางกลับเข้าเมืองเจอเทพบดีคนเกา่าองคเา้าเทพนั้นถามว่าเอา้าวสิบห้าปีที่แล้วท่านบอกท่านเบื่อทั้งคมมนุษย์เกลียดมนุษย์แล้วเดี๋ยวนี้ทาไมจะกลับเมืองล่ะท่านตอบสงบขึ้นเงี่ยว่าเดี๋ยวนี้ฉันรักมนุษย์ รักความเป็นมนุษย์ตรงนี้อาจจะเป็นรหัสที่ถามตัวเราได้นะครับว่าศาสนาธรรมทำให้เราซาบซึ้งในความเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญหรือเปล่าหรือทำให้เราหลงใฝ่คว้ า, วาอภิมนุษย์ผมยอมรับว่าเมื่อสมัยที่ผมออกบวชหรือแสวงหาอะไรน่แน่จินตนาการไปรวมศูนย์อยู่ความเป็นอรหัน พูดภาษาจะบ้างกูต้องเป็นอรหันต์ให้ได้นี่เป็นกลุ่มที่แสบเผ็ดที่สุดครับโดยไม่แยแสว่าคุณธรรมที่ทํามันเป็นอรหันต์นั้นคืออะไรกันแน่แท้ที่จริงนั้นความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองครับคือสมดุลของธรรมชาติอันนี้ผมต้องทบทวนไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขันท่าซึ่งถือว่าเป็น หลักแห่งยานวิทยาในพุธทธศาสนา่แหล่งที่เกิดของยานปัญญาที่ว่าขันห้าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยทั่วไปเหมือนผมเคยพูดบ่อยครั้งนะที่องคจมนี้ว่ารูปขันมันจะเข้าใจแคบลงเป็นร่างกาย